ไม่แงนงอนคลอนคลั่งดังเช่นเคยรู้แล้วเลยยิ่งเราให้ก้าวไปวันนี้เองเร่งกระทาซึ่งหน้าที่อันวันตายแม้พรุ่งนี้ใครรู้ได้เพราะไม่อาจบอกปัดหรือผลัดไว้ต่อความตายและมหา เสนามันท่านพุทธทาสพิคุการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยในแต่ละวันมันมีความหมายสำหรับตัวเรามากถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างเคร่งเครียดเราก็จะมีความทุกข์ จิตใจก็จะไม่สงบไม่เป็นปกติทำให้สุขภาพร่างกายก็พลอยเสียไปด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราญาติมิตรเพื่อนรวมงานพี่น้องก็พลอที่จะเคร่งเครียดไปด้วยมางีอาจจะเกิดจากเราเป็นต้นเหตุก็ได้เพราะเราควรจะใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายสบายๆไม่ต้องเคร่งเครียด ให้มันสบายมีระเบียบมีระบบง่ายๆแต่ว่าไม่ได้มักง่ายนะทำอย่างมีสติก็พลอยให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นอิตใจก็สบายมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันบรรยากาศคนรอบข้างก็พลอยที่จะสบายอกสบายใจไปด้วยบางทีเราเป็นบุคคลที่สร้างความกดดันให้กับ ครอบครัวเราก็ได้นะแตะนันอย่าไปเอาจริงกอบจังมากนะอย่าไปเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลบางทีสิ่งเหล่านี้มันก็บีบคั้นให้ใจเราต้องเป็นทุกข์ให้เราเดินทางสายกลางไม่ตึงคือเคร่งเครียดแล้วก็ไม่หย่อนยานเนี่ยคือขาดสติลงลืมสติเพ้อเพลินไปในหย่อนยานให้กลางๆชีวิตที่เดินสายกลางนี่แหละเป็นชีวิตที่เป็นปกติมีความสุข คนเราเนี่ยที่เคร่งเครียดบางครั้งก็อาจจะเกิดจากอารมณ์ติดอารมณ์เคยไหมติดอารมณ์ติดอารมณ์มเนี่ยเหมือนติดคุกนะแต่ไม่ได้คุกทางด้านร่างกายเป็นคุกทางด้านจิตใจอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยก็เป็นกรงขังที่แข็งคุมขังจิตใจเราเนี่ยไม่ให้เป็นอิสระคุกทางใจน่ากลัวกว่านะ แม้ว่าเราอาจจะไม่ติดคุกทางด้านร่างกายแต่เราก็ติดคุกทางด้านจิตใจทำให้เราต้องเป็นคนที่อ่อนแอเราไม่สามารถที่จะออกจากคุกอารมณ์นี้ได้ติดอารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราไม่เป็นอิสระสิ่งที่เราติดนี่ก็คืออารมณ์นะแต่พูดถึงอารมณ์เนี่ยมันเป็นกลางๆเราสามารถติดอารมณ์ดีก็ได้อารมณ์ดีเนี่ยมันก็ติดนะ ทำให้เราเพลิดเพลินหลงไหลหมกมุ่นติดในการดูติดในการฟังติดในกลิน่นติดในรสชาติของอาหารติดในการสัมผัสติดในความคิดปรุงแต่งเนี่ยติดอารมณ์นะครับเนี่ยคืออารมณ์เห้นบางทีทําให้เราเสียเวลาเดินไปเสียเวลาเสียงานเสียเงินเสียต่อเสียสติเพราะติดอารมณ์ดี ติดเหมือนกันนะอีกอารมณ์นึงคืออารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีนี่เราก็ติดนะไม่ใช่ว่าอารมณ์ที่ไม่ดีเราจะไม่ติดติดเช่นความโกรธความอึดอัดขัดเคืองติดอยู่นั่นแล้วข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีเห็น ไ, ไหมบางทีโกรธกันจนป่านนี้ยังไม่เลิกก็มีนะเราโกรธกันในสมัยครั้งอดีตเรายังไม่เลิกโกรธในทั้งปัจจุบันนี้เห็น ไ, ไหมและมีท่าว่าจะโกรธกันถึงตายต่อพบต่อชาติไม่มีว่าอะไร เรว่าติดอารมณ์อารมณ์ที่ไมดีเพราะนั้นเราเราต้องฝึกจิตใจเราฝึกฝนจิตใจเราให้รู้อยู่กับปัจจุบันการรู้อยู่กับปัจจุบันนี่ไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่นะแต่รู้อยู่ว่าปัจจุบันนี่กำลังทําอะไรรู้อยู่ถ้ารู้อยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่นะก็อารมณ์อดีตอนาคตเนี่ยก็จะไม่มารบกวนเราสําคัญมากเลอกความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันรู้อยู่รู้แบบไม่เข้าไปอยู่ แต่รู้อยู่เห็นอยู่เราจะอยู่กับปัจจุบันแบบมีความสุขแบบผ่อนคลายถ้าหากว่าใครก็ตามกำลังติดอยู่ในอารมณ์เรายังมีวิธีการคิดนะเพราะอารมณ์นี้เกิดจากความคิดถ้าไม่คิดจิตก็ไม่ติดในอารมณ์เพราะความคิดของเรานะทำให้เราติดอยู่ในอารมณ์นั้นแต่ไม่เป็นไรเมื่อเราคิดติดอยู่ในอารมณ์ที่เป็นทุกข์สมมติว่าเป็นทุกข์นะ อารมณ์ดีนี่คงจะไม่ค่อยมีปัญหาอารมณ์สุขจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่อารมณ์ที่เป็นทุกข์เนี่ยมันสร้างปัญหากับจิตใจเราโรคจิตโรคประสาทนอนไม่หลับฆ่าตัวตายก็เพราะอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ทุกข์ทั้งนั้นแหละอันนี้คือความคิดเมื่อเราคิดแล้วเป็นทุกข์ได้ทําไมเราถึงไม่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดเสียใหม่ให้ไปทางที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามมาคิดแล้วใจเป็นทุกข์อ๋อนี่อารมณ์ไม่ดี เปลี่ยนคิดแล้วให้เป็นสุขก็ได้แก้ปัญหาก็ได้เป็นการคิดที่สร้างสรรเป็นการแก้ปัญหาเวลาเรามีปัญหาชีวิตมีความทุกข์เรามักจะคิดหมกมุ่นอยู่ในความทุกข์ซ้ำเติมตอกย้ำให้จิตใจเราเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นทำไมเราจึงเป็นอย่างนั้นเห็นเป็นการซ้ำเติมไม่ได้ช่วยให้เราแก้สถานการณ์ให้ดีขึ้นเลยสมมติว่าเราปวดเขา่าพูดถึงเรื่องเขานะ ทุกคนก็มีเขา่าโอ้ปวดเขา่าเราไม่ปวดแค่เขานะเราไปปวดใจด้วยโอ้มันทําไมถึงปวดเมื่อไหร่มันจะหายนะถ้าเราปวดอย่างเงี้ยเราต้องทํางานไม่ได้แน่เลยเนี่ยไปอนาคตแล้วได้ทำอย่างไรเนี่ยเดินก็ไม่ถนัดเมื่อไหร่จะเดินได้สักทีเมื่อไหร่จะเดินสะดวกสักทีเมื่อจะวิ่งได้สักทีทีคนอื่นก็ยังไม่เห็นเป็นเลยทําไมเราถึงเป็นไปอย่างนั้ น, นออกนอกตัวทรงจิตออกนอกนัเข่า เ, าเอเวนกา ร, รมแล้วเรานาะคิดถึงอดีตอีกแล้ว มันเป็นเวรเป็นกรรมของเราคิดให้ความทุกข์มันทับถมใจทนเองทำไมถึงคิดอย่างนั้นทำไมเราจึงไม่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดไปทางที่เป็นบวกสร้างสารแก้ปัญหาอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรลอกเราปวดเข่าแค่นี้ดีกับเราเป็นโรคมะเร็งนะโรคมะเร็งนี่โถึงตายได้ปวดเขาไม่ตายปวดเขามันก็ดีนะเพราะเรายังมีข่าให้ปวดบางคนไม่มีเขา่า คนขาขาที่ไม่มีเขาเขาไม่มีโอกาสปวดเขาได้เลยเห็น ไ, ไหมเราเนี่ยโชคดียังมีเขาให้ปวดบางคนเนี่ยไม่ปวดนะบางคนเป็นอมาาัมพาตเนี่ยอมาาัอมพาตอมาาัมพฤกษ์ไม่เคยปวดเพราะเขาเขาผิดปกติประสาทที่รับรู้ทางด้านร่างกายเนี่ยเขาถูกทําลายไปเขาจะไม่รู้สึกปวดเขาแต่มีอาการชามาแทนที่แต่เดินไม่ได้เห็น ไ, ไหมเรายังดีกว่าเขาต้องร้ายอย่าง ทำไมไม่คิดในแง่ที่มาประวัติได้ต่อไปก็มันก็ต้องหายด้วยเนี่ยคําเนี่ยผมจําจากคุณแม่ผมนะคุณแม่ผมเนี่ยตอนสมัยที่ผมไม่สบายใหม่ๆพิการใหม่ๆปว่วยไข้ใหม่ๆแม่บอกว่าลูกมันเป็นได้มันก็หายได้เป็นได้ก็หายได้โอ้ก็ทํานี่เราใช้ได้ตลอดเลยเป็นได้หายได้ไม่เป็นไร่ะเราลองคิดเป็นทางที่เป็นบวกบ้างมันช่วยจิตช่วยใจเราเนี่ย ออกจากความทุกข์ออกจากปัญหาได้อย่างว้่าในขณะปัจจุบันนั้นใจเราก็ดีแล้วเราเคยดูทีวีไหมเวลาเราดูทีวีนี่บาอดีช่องที่เราไม่ชอบดูแล้วไม่สนุกไม่ชอบเรายังหยิบรีโมทมากดเปลี่ยนช่องได้รีโมทเปลี่ยนช่องทีวีได้ใจเราก็เปลี่ยนได้รีโมทใจมันก็มีนะเปลี่ยนได้หลายช่องแล้ว เ, เปลี่ยนง่ายกับช่องทีวีด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้รีโมทรีโมทชีวิตก็คือการมีสติ การเปลี่ยนช่องทีวีต้องกดรีโมทแต่การเปลี่ยนช่องจิตใจเราไม่ต้องใช้รีโมทแบบกดไม่ต้องแค่รู้สึกตัวว่ามันคิดแล้วมันเปลี่ยนไปทางที่รู้เลยรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเปลี่ยนได้ง่ายมากรู้จักที่ใช้รีโมทเปลี่ยนช่องชีวิตบ้างสิเพราะนั้นรีโมทเรามีหรือยังรีโมท ต, ตัวนี้คือตัวสตินะเนี่ยสติเนี่ยเป็นรีโมทชีวิตรีโมทจิตใจเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจ จากคิดร้ายมากลับกลายเป็นดีได้เรามีหรือยังบางทีมีความรู้นะแต่ขาดสติเนี่ยเราก็นำความรู้นั้นเอามาใช้ไม่ได้ความรู้นั้นก็เป็นมันไปดงนั้นจึงต้องมีการฝึกสติมีสติในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างเช่นเวลาเราเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ถ้าเราลุกขึ้นได้เนี่ยเราพยายามเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ยังไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไร ยังมีวิธีต่อไปเราเปลี่ยนยาบทลงไปเปลี่ยนยาบทจากนั่งหรือจากในความทุกข์เปลี่ยนไป ท, ทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามซะเนี่ยเราลุกได้เราเดินได้นี่อย่าไปจมแช่อยู่กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์อย่าไปติดอย่าไปตกจมเปลี่ยนแม่บ้านอาจจะไปกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็มีสติอยู่กับการทํางานตรงนั้นแหะเป็นการทํางานและเป็นการ ปฏิบัติธรรไปด้วยนะกวดบ้านถูบ้านเช็ดพื้นให้มีสติรู้อยู่ที่งานที่เราทําเป็นปัจจุบันแค่นี้ก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจไปออกจากความคิดที่เป็นทุกข์ได้แล้วพ่อบ้านอาจจะลงไปทําสวนขุดดินรวนดินได้หญ้ารดน้ําต้นไม้แล้วก็มีสติอยู่กับงานที่เรากำลังทําเป็นปัจจุบันแค่นี้ก็แก้ปัญหาจิตใจได้แล้วหรือคนที่เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ ป่วยมากก็ไม่เป็นไรยิบเป้าผมคลี่แล้วก็ยังมีสติแล้วก็พับผ้าผมผมเคยใช้บ่อยนะผมราะเองก็ไปไหนไม่ได้หรอกแต่เวลาสมัยก่อนที่เวลามันเครียดบรรทุกไม่รู้จะทําอะไรอ๋อยิบเป้าผมมาคลี่ช้าๆอย่างมีสติแล้วก็พับเข้าอย่างมีสติแบบเรียบร้อยทําเพื่อจะทําไม่ใช่าทาเพื่อจะเสร็จทําเพื่อจิตมีงานทําสติสามารถดึงจิตใจ ออกจากอารมณ์ออกจากความเครียดได้อย่างยอดเยีย่ยมโดยที่ไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเองท่านเดินได้ท่านทำอะไรก็ได้เราจึงสามารถเปลี่ยนแก้ไขาอารมณ์ได้มากมายเพราะคุณสมบัติของสติเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่ตามอารมณ์แล้วก็ไม่ต้านอารมณ์อารมณ์ดีมายู่สติก็รู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่ ไม่ได้เข้าไปในอารมณ์ดีดังนั้นแต่รู้อยู่เห็นไหมไม่ตามอารมณ์ส่วนอีกด้านหนึ่งคือด้านของความทุกข์เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบอารมณ์นี้สติก็รู้อยู่ไม่ต้านไม่ต่อต้านไม่ขับไล่ไม่ผลักไสรู้อยู่เป็นอิสระจากอารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์ไม่ดีรู้อยู่เป็นกลา ง, ลางอันนี้คือคุณสมบัติของสติเพราะฉะนั้นยันไปที่เรามีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์เป็นทุกข์ เกิดจากความคิดเพราะฉะนั้นมันคิดขึ้นมาเนี่ยคิดได้แต่เราก็มีสติรู้ด้วยยามใดที่เรามีความทุกข์มีได้โดยเหตุปัจจัยหรือโดยกรรมของเราแต่เราก็พ้นทุกข์ได้ด้วยแต่ที่สาคัญก็คือชีวิตเราเนี่ยเวลามันเกิดความเครียดเราจะเห็นว่าอาจจะเกิดจากความคิดหรือการตั้งใจเกินไปทำที่นี้เพื่อได้อย่างใจมันจะเกิดความเครียดไม่一งกับเรา ขันนอ็อตเห็นไเราขันเกลียวน็อตยิ่งขันยิ่งตึงยิ่งแน่นถ้าขันม า, มากๆนี่น็อตมีโอกาสแตกได้นะเพราะฉะนั้นชีวิตที่เคร่งเครียดเหมือนการขันเกลียวน็อตเข้าไปนั้นให้เราผ่อนคลายการผ่อนคลายนั้นคือใช้ชีวิตแบบสบายๆง่ายๆแต่ไม่มากง่ายแบบสบายๆแบบผ่อนคลายยังมีความสุขมากก็ได้เหมือนมีการคลายเกลียวนอ็อตการคลายนี่ยิ่งคลาย ความเครียดก็ยิง่งหายเพราะฉะนั้นเราเครียดได้แต่ต้องผ่อนคลายด้วย